ตอนที่หนึ่งร้อยี่สิบห้าไล่ออกยกแผงชั่วขณะหนึ่งบรรยากาศในที่แห่งนั้นเงียบสงัดจนไม่มีใครกล้าปรีปากพูดเจิ้งอวิ๋นฉงกว่าสายตามองทุกคนก่อนจะไปหยุดอยู่ที่หยางจิ้งแล้วเค้นคำพูดออกมาสองคำสาเหตุหยางจิ้งเม้มปากพรางสะบัดหน้าไม่มีสาเหตุรองอธิบดีหยางเห็นนางยังกล้าทําตัวจองของเช่นนี้ก็โกรธจัดจนผลักนางออกไปอย่างแรงหยางจิ้งเสียหลักล้มลงกับพื้นพูดมารองอธิบดีหยางอารมณ์พลุ่งพล่านกับฟันกรอดหยางจิ้ง ถ้าเจ้าสารภาพมาตามตรงเรื่องนี้อาจจะยังพอผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้างแต่ถ้าเจ้าไม่พูดความจริงข้าจะถือว่าไม่เคยมีลูกสาวอย่างเจ้าเมื่อเห็นว่าบิดาจะตัดขาดความสัมพันธ์อย่างจริงก็เริ่มลนลานพ่อขนหนูเป็นลูกสาวพ่อนะพ่อจะทิ้งหนูเพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ได้ยังไงจะพูดหรือไม่พูดรองอธิบดีหยางตวาดลั่นอีกครั้งหยางจิ้งตกใจจนไหล่สันเท่านางมองหลีหวันด้วยสายตาเครียดแค้นหนูหนูแค่อยากสั่งสอนนางหนูแค่ดูนางไม่ถูกชะตา นางเป็นคนไม่ซื่อสัตย์กล้าแอบโยโยวนเวิรนโมลับหลังเวนโมเขาไม่คาดคิดเลยว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับตนเองเมื่อถูกเ อ, อ่ยชื่อขึ้นมาอย่างกระทันหันเขาก็ถึงกับยืนอึ้งทำอะไรไม่ถูกเวนโม่ลิวาในฐานะผู้เสียหายในที่สุดก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่แท้นางก็ถูกศัตรูหัวใจเตือนสติเข้าให้แล้วเฮ่ยเฮเรื่องนี้ช่างน่าสนุกเสียจริงใครคือเวิรนโมเจิ้งหวิงฉงเอ่อขึ้นอีกครั้งเวนโม่ก้าเท้าออกมาข้างหน้า ข้าเองครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นในตาสีดําสนิทของเจ้งางวินชงก็หดตัวลงเล็กน้อยเข า, ขารู้ดีว่าเมื่อลูกสาวโตขึ้นย่อมต้องมีคนรักแต่ตอนนี้ลูกสาวเขายังเด็กนักอีกอย่างรสนิยมของนางก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นท่านอะครับเรื่องนี้ข้าอธิบายได้เหวินโม่ฟืนทนต่อแรงกดดันกัหมัดแน่นพางอธิบายมันไม่ได้เป็นอย่างที่หยางจิ้งพูดเลยสหายหลีหวานไม่เคยยั่วยวนข้าการติดต่อเพียงอย่างเดียวของเราคือการปรึกษาเรื่องอาการป่วยของข้าเท่านั้นข้าย่อมรู้อยู่แล้วลูกสาวข้าไม่มีทางทําาเเรื่องพัันนน้นด็ขด เจ้างวิ่งชงแค่หัวเราะ อ, อย่างดูแคลนรถนิยมของนางยังไม่ต่ําต้อยถึงข้นนั้นหลีหวานคําพูดของพ่อท่านนี้ฟังดูเหมือนจะเชื่อคําพูดของหยางจิ้งอยู่ไกลๆกลเหวินโมขยับปากเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีเพียงเพราะเรื่องไร้สาระแค่นี้หรือรองอธิบดีหยางตะโกนเสียงหลงเห็นได้ชัดว่าเขากําลังจะสติแตกเจ้าลูกไม่รักดียังไม่รีพอโทษอีกปกติข้าสอนให้เจ้าปฏิบัติต่อเพื่อนนักศึกษาเช่นนี้หรือขอโทษ อย่างจริงทำตามคำสั่งของบิดาใบาหน้าของนางเต็มไปด้วยความไม่ยินยอมตั้งแต่นางเกิดมาใครบ้างรอบกายที่ไม่คอยประครบประ ง, งมเอาใจนางนางไม่เคยต้องมารับความอับยศยเช่นนี้มาก่อนอธิบดีหวงเอ๋ยขึ้นเพื่อคลี่คลายบรรยากาศโฮโฮร้องพูผันเจิ้งข่าวว่าเรื่องนี้ก็แค่เด็กๆทะเลาะกันวัยรุ่นมีความขัดแยง้งเรื่องความรักเป็นเรื่องปกติพวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ควรจะสั่งสอนให้ดีตรับใดที่ไม่ได้ทำอะไรเกินเลยไปก็พอแล้วท่านว่าจริงไหมรองอธิบดีอย่างรีพยักหน้าเห็นพ้องกับคำพูดของอธิบดี เรืองอวินชงตา ว, วสายตายเย็นชาไปมองไม่เกินเลยงั้นหรือลูกสาวข้ายังเด็กถูกรังแกในโรงเรียนจนต้องโทรหาข้ากลางดึกโชคดีที่ข้าว่างพอดีจึงรีบมาได้ทันเวลาแล้วถ้าข้าไม่ว่างล่ะเด็กคนหนึ่งต้องติดอยู่ข้างนอกทั้งคืนนั้นหรืออธิบดีหงดูเหมือนท่านจะยังไม่เข้าใจความร้ายแรงของปัญหาในคนะบุคลากรทางการศึกษาท่านบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง เรื่อนี้ข้าจะรายงานไปยังสำนักการศึกษาท้องถิ่นของพวกท่านทางอธิบดีและรองอธิบดีข้าว่าพวกท่านควรจ ะ, กะเกษียณกลับไปพักผ่อนที่บ้านเสียแต่เนินเน่นๆจะดีกว่าจะได้ไม่มาชี้นําสิทธิไปในทางที่ผิดอยู่ที่นี่ซิ่งคําพูดทุกคนในที่นั้นต่างพากันสูดลมหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็บอธิบดีบอกว่าจะให้ไหล่ออกก็ไล่ออกเลยภูมิหลังของพ่อหลีหวานไม่ธรรมดาจริงๆอาศัยสิทธิ์อะไร พ่อของหนูทำงานที่มหาวิทยาลัยการแพทย์มาสิบ ก, กว่าปีสร้างคุณประโยชน์ให้กับการพัฒนาโรงเรียนมามากมายท่านเป็นเพียงผู้นำในเขตทหารแต่กลับใช้อำนาจในทางมิชอบถ้าท่านกล้าเลยพ่อหนูออกหนูจะไปฟ้องอย่างจริงพูดยังไม่ทันจบรองอธิบดีอย่างก็รีบเอามือปิดปากนางไว้ด้วยความหวาดกลัวคำพูดนี้ถือเป็นการท้าทายอำนาจของเจ้ออาอวินฉงโดยตรงดีเจ้าจะไปฟ้องข้าเมื่อไหร่ก็ได้มาดูกันว่าระหว่างข้ากับพ่อของเจ้าใครกันแน่ที่จะถูกปลด เจิงง้งอวิ๋นฉงแค้นเสียงเย็นชาก่อนจะหันมามองหลี่หวันด้วยสายตาที่อ่อนโยนลงเสียวันคืนนี้กลับบ้านกับพ่อนาตกลงไหมข้หนูฟังคุณพ่อคะหลี่หวันนพยักหน้าเบารอให้เรื่องนี้คลี่คลายเมื่อไหร่านางค่อยกลับมาเรียนต่อสองพ่อลูกตระกูลหยางคงต้องดิ้นรนกันต่อไปหลี่หวันกลับบ้านไปเพื่อให้หูตาได้สงบลงบ้างหลังจากหลี่หวานและเจิ้งอวิ๋นฉงจะไปเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงไปทั่วทั้งมหาวิทยาลายัย ในด้านหนึ่งทุกคนต่างตกตะลึงในอิทธิพลและภูมิหลังของพ่อหลิววานในอีกด้านหนึ่งต่างก็พากันสงสัยในตัวเหวินโม่เบื้องหน้าดูเหมือนจะเป็นความขัดแย้งของผู้หญิงสองคนแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นการแย่งชิงผู้ชายเพียงคนเดียวห้องอธิบดีอธิบดีหัวที่ไม่ได้ข่มตาหลับเลยตลอดทั้งคืนได้ข้อสรุปในการจัดการเรื่อง น, นี้เหล่าอย่างเรื่อง น, นี้ลูกสาวเจ้าทาผิดจริงๆฝ่ายนั้นไม่ยอมรับคําขอโทษข้าเองก็ต้องทําตามระเบียบเจ้ากลับไปสั่งสอนลูกให้ดีเถอะ รองอธิบดีอย่างรู้อยู่แล้วว่าอาธิบดีหวงจะเลือกตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตโดยการทอดทิ้งเขาเขากำมัดแน่นอธิบดีครับผมน่าช่างมันเถอะแต่ท่านเป็นถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการแพทย์เหตุใดต้องยอมให้ผู้นําเขตทหารมาบงการเช่นนี้ถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปคนพายนอกจะไม่หัวเราะย้ อ, ยยอจนฟันร่วงหรือตามความเห็นของผมพวกเราไม่จําเป็นต้องกลัวเขาเลยสู้ทําให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไปเลยว่าเจ้งางวินชงใช้ อ, าอํานาจข่มเหงรังแกผู้อื่น ซิ้นคำพูดอธิบดีหวงก็มองรองอธิบดียางด้วยสายตาประหลาดราวกับมองตัวตลกถ้าจะมีความสามารถพอก็ลองพูดประโยคเมื่อครู่ออกมาอีกรอบสิใช้อำนาจข่มเหลงแกงนั้นหรือการที่เจ้งางวินฉงปีงขึ้นมาถึงตำแหน่งในทุกวันนี้ได้เขาไม่เคยต้องพึ่งพาการใช้อำนาจข่มเหงใครเลย พ่อของเขาคือท่านผู้เท่าเจิงอดีตผู้บัญชาการเหล่าทหารเจิงอวิ๋งฉงเองในอนาคตก็ต้องก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนั้นอย่างแน่นอนอีกอย่างเรื่องนี้ลูกสาวเจ้าเป็นฝ่ายผิดก่อนที่ไปรังแกเพื่อนนักศึกษาในโรงเรียนอย่างโหดร้ายและผู้นําโรงเรียนยังเพิกเฉยไม่จัดการพูดอีกอย่างหลีหว่านคือจงยนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเมืองนี้อนาคตใกลเกินขนาดนับนางคือคนที่พวกเจ้าจะไปล่วงเกินได้งั้นหรือเจ้ายัางกล้าคิดจะทําให้เรื่องมันใหญ่โตอีกคนนอกจะมองมหาวิทยาลัยของเราอย่างไร อธิบดีห่วงตบโตดังปังด้วยความโกรธจนหน้ามือไปหลายตลบไอโงเอ๋ยงั้นงั้นอะไรพวกเจ้าพอลูกรีบใส่หัวไปให้พ้นหน้าข้าเดี๋ยวนี้อธิบดีห่วงคว้างถ้วยน้ำชาในมือทิ้งไปให้พ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้เหล่าห่วงท่านคิดจะตัดขาดกับผมสินะดีผมจะจำท่านไว้ใส่หัวไป อธิบดีหวงเป็นตัวแทนของโรงเรียนประกาศความผิดของอย่างจริงและบิดารวมถึงครูคุมหอและหัวหน้าฝ่ายอีกสองคนพร้อมทั้งตักเตือนผู้นำโรงเรียนอย่างเข้มงวดว่าหากมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกจะถูกลงโทษไล่ออกทั้งหมดและจะถูกบันทึกความผิดร้ายแรงลงในประวัติสุดท้ายอธิบดีห่วงและผู้นำโรงเรียนคนอื่นๆก็ได้เดินทางไปขอโทษถึงที่บ้านพร้อมทั้งรับประกันว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นอีก หลหวานค่อนข้างพอใจกับผลการจัดการเช่นนี้เจิ้งอวิ๋นชงไม่อยู่บ้านแต่ท่านผู้เฒ่าเจิ้งอยู่รัสมีความน่าเกรงขามของท่านผู้เฒ่านั้นสั่นสะเตือนใจคนยิ่งกว่าเจิ้งอวิ๋นชงเสียอีกข้าหลับประหลาดใจจริงๆที่ในเมืองนี้ยังมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ตอนนี้ข้าไม่ค่อยวางใจที่จะฝากหลานสาวไว้กับโรงเรียนของพวกท่านเลย